พระเจ ร, ริญพรย่าดโยมท่านวันนี้เป็นวันมงคลนะที่เป็นวันมงคลเนี่ยมราไม่เกี่ยวกับเรื่องยามหรอกนะแต่ว่าเป็นมงคลเพราะว่าด้วยผลหลายประการประการที่หนึ่งก็คือมีการนิมนต์พระมาะสดมนนะเรื่เอเจริญพุทธมนต์ประการที่สองก็คือว่ามีการทำบุญเลี้ยงพระ นะเรียกว่าไหวสังคธานราการที่สามคือว่ามิสหายเพื่อนบ้านนะคนรู้จักที่สามสิะชนได้มาร่วมกันนะทำความดีม า, าให้กำลังใจนะมาร่วมให้พรนะกับท่านเจ้าภาพ อันนี้ก็เป็นการแสดงความสมั ค, คีใจนะความรักความเ อ, อเื้อเฟื้อเอื้อกูลด้วยผลทั้งสาประการนี่แหละนะก็ทําให้วันนี้เป็นวันมงคลเพราะว่ามงคลมงคลในพุทธศาสนาเนี่ยหรือว่าเรื่องงามยามดีเนี่ยนะทีเราเลิกมงคลเนี่ยเวลามงคลเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมีการทําความดีเกิดขึ้นมีการสร้างบุญสร้างกุศลนะขึ้นมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เลิกผานาทีนะทำเมื่อไรนะทำความดีเมื่อไร่เมื่อนั้นก็เป็นมงคลนะเป็นเวลามงคลทันทีจะเป็นเช้ากลางวันเย็นหรือว่าค่ำก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยบุญกุศลหรือความดีที่มาร่วมการบำเพ็ญในวันนี้เนี่ยนะก็ปารกนะเรียกว่าเป็นการทำบุญทำบุญบ้านทีนะ่เราทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ได้ เมื่อมีการเมื่อมีการขึ้นบ้านใหม่นะหรือว่ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะโดวยเฉาะเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงคนไทยก็นิยมทำบุญนะเช่นวันเกิดนะวันแต่งงานวันบวชหรือว่าวันเปิดร้านนะ หรือว่าจะย้ายบ้านใหม่เราก็นิยมทำบุญอันนี้รวมรวมไปถึงเทศกาลโดยเชเทศกาลปีใหม่เพื่อให้เกิดสิริมงคลแล้วก็การทำบุญก็นิยมนิมนต์พระมาและเมื่อพระมาเนี่ยนะท่านก็จ ะ, จะเจริญพุทธมนต ก็คือการายกหรือว่าสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่สวยกรรมสักครู่เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าพวกเราฟังไม่รู้เรื่องนะเพราะเป็นภาษาบาลีคนไทยก็ชืวว่อเพียงแค่นะเออพพุทธพกทขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอนุภาพแล้วนะเป็นอนุภาพในทางที่เป็นมงคล แล้วบางคนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็เพื่อช่วยปกปักรักษาผู้ทธ่อาศัยอยู่ในบ้านให้ปลอดภัยให้อยู่เย็นเป็นสุขนะให้ปลอดพ้นจากอันตรายไม่ว่าจากมนุษย์จากธรรมชาติหรือจากมนุษย์ด้วยกันนะให้แถวคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงอันนี้ก็เพราะาาพเราเชื่อในอนุภาพของพระรัตนตรยัยอนุอนุภาพของพุทธมนต พระพุทธรนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งลิกสัพพสัณนะก็เป็นเป็นคำสอนหรือเป็นคำตรัสเรียกพุทธพจน์ของผู้แต่เจ้างพนะนิสวยมงคลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจากการาเลี้ยงพระการทำบุญการที่พระมาสวดมนต์แล้วก็อีกสักครู่ก็จะมีการพรมน้ำมนต์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะถึงเรียกว่าน้ำมนต์ สิริมงคลอันเกิดจากกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะก็เมือนกัทุกอย่างนะมันมีอายนะุเหมือนกับยาเนี่ยมันก็มีอายุนะคนเราก็มีอายุแล้วก็มีวันที่หมดอายุนะเพราะนั้นสรมงคลเนี่ยที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยก็จะมีอนุภาพอยู่ สักช่วงเวลาหนึ่งทนะีนี้ถ้าเราการศึกษามึงคลเนี่ยมีอนุภาพในการปกปักรักษาเราไปได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทําอย่างไรนะไม่จะไปต้องนิมนต์พระมาะทุกปีนะมาสวดมนต์มาเจริญพุทธมนต์แต่ว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่า น, นั้นแล้วก็ให้ผลยั่งยืนกว่า น, นั้นก็คือการที่เราทําความดนะีเมื่อเราหมั่นทำความดีนะ ความดีนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดมงคลเมื่อสักครู่เนี่ยพระก็สวดนะบทหนึ่งที่เรากมงคลสูตรมงคลสูตรก็คือพพุทธพุทพจน์ที่เกี่ยวกับมงคลซึ่งมีทั้งหมดสามสิบปประการรวมแล้วแต่เป็นมงคลอนะันสูงสุดทั้งสิ้นเนระียกอุดมงดมงคลอุดมมงคลสามสิบปประการมีอะไรบ้างพูดรวมๆก็ววคือเป็นการทำความดี เรื่องตั้งแต่การไม่คบคุณชั่วเขาจะสวดเรื่องต้นน้ว่าเสศวนาจะพาลนางปานทิตานนางจะเสวนาก็ไม่ครบคุณชั่วคบคนดีนะไอาการไม่คบคนชั่วนี่มันไม่ได้ยากอะไรเลยนะการครบคนดีก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียสละอะไรทั้งสิ้นนะแต่ว่ามันเป็นความดีซึ่งทําให้เกิดมงคลแต่การทําความดีซึ่งทําให้เกิดมงคลสูงสุดนี่มีมาก แล้วก็เลือกให้ทําได้หลายอย่างเช่นการให้ทานการรักษาเสียงความกระตันดูต่อพ่อแม่การดูแลเลี้ยงบุตรนะทิดาการบำรุงเลี้ยงนะบริษัทบริวารนะความถ่อมตัวความเป็นคนว่าง่าย แม้แต่การศึกษาวิชาหาความรู้เนี่ยนะก็เป็นมงคลเหมือนกันนี่ถ้าเกิดว่าเราเราทำความดีเนี่ยนะมงคลก็จะเกิดขึ้นอันนี้อาจจะไม่ไม่ไม่ตรงกับที่หลายคนเข้าใจเพราะหลายคนเข้าใจว่ามงคลจะเกิดขึ้นได้ต้องมีวัตถุบางอย่างเรียก ว, วัตถุมงคลนะมงคลจะเกิดกับบ้านนี้ได้ก็ต้องนะมีไม้มงคลนะมีชื่อมงคล เราต้องมีวัตถุมงคลมาคอยปกปักรักษาวัตถุมงคลก็เช่นยันพับเครื่องสายศิล น, นะอันนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นมงคลที่พระเจ้าสารเสวนะไม่เรียกว่าเป็นมงคลในพุทธศาสนามงคลในพุทธศาสนาเนี่ยมีอย่างเดียวคือการทาความดนะีซึ่งพระเจ้าก็จาแนกมาสามาปประการแล้วก็ไปสุดท้ายที่ เรื่องของการทงพระนิพพานให้แจ้งซึ่งนะั้นเป็นเรื่องยากนะเริ่มต้นด้วยเรื่อง ง, ง่ายๆก่อนคือไม่พบคนชั่วพบคนดนะีการให้ทานการรักษาศีลนะการฟังธรรมการสนทนาธรรมเป็นต้นเนะนี่ยที่เราต้องการให้เกิดสิริมงคลในบ้านนี้เนี่ยนะหลังจากที่นิมนต์พระมาจเจอพละพุทธมนต์แล้วนะต่อไปเราก็มาทาความดีเราอยู่บ้านนี้เราก็ทำความดี ความดีนี้แหละนะจะก่อให้เกิดมงคลซึ่งจะช่วยปกป้องคุ้มครองเรานะช่วยปกป้องผู้ที่อาศัยในบ้านนี้จนะากว่าคนในบ้านนี้เนี่ยนะอยู่กันด้วยความรักนะมีสัจจะมีความซื่อสัตยนะ์มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลที่เราจากฆะรู้จับอดท น, ทนอดกลั้นคือขันติ แล้วก็รู้จักฝึกฝนจิตใจที่ท่านใช้กว่าธรรมะธรรมะนี่คือทอทหารนะทอทหารมอไม้มอมมาสระอับซึ่งอันนี้ก็เป็นธรรมะที่พระเจ้าได้สอนเอาไว้เนี่ยก็ทําให้บ้านเนี่ยเป็นบ้านที่อบอุ่นมีความมั่นคงความมั่นคงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวอิฐนะหรือว่าหินที่ก่อขึ้นมาเป็นบ้าน แต่อยู่ที่ใจของผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งเป็นคนในครอบครัวบางทีก็เป็นเพื่อนนะถ้าอยู่กันเพื่อธรรมะแล้วเนี่ยบ้านก็จะมีความมั่นคงนะเป็นความมั่นคงจากภายในจะไม่เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแก่ผู้อาศัยบ้านเนี่ยนะ ที่เป็นตัวอาคารเนี่ยมันก็แค่การร้อนกันหนาวทางกายนะติดแอร์ด้วยติดพัดลมด้วยก็ทำให้เย็นแต่ก็แค่เย็นกายแต่ไม่ได้รับประกันว่าใจจะเย็นด้วยแต่ใจจะเย็นได้หนึ่งเพราะว่าคนในบ้านเนี่ยมีความรักนะมีการทำความดีต่อ ก, กันแล้วลังจากทาความดีต่อ ก, กันแล้ว ทำความดีต่อผู้อื่นด้วยซึ่งพื้นฐานคือการรักษาศีลในงานศีลเนี่ ย, นนยห้าข้อนเนี่ยมันก็คือการไม่เป็นเหยียดเบียนผู้อื่นถ้าเราอยู่ในบ้านเนี่ยนะเรารักษาศีลให้ดีนะนอกจากธรรมะสี่ประการที่ว่านะสัจธรรมะจากคะและขันติแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่เยนเป็นสุขและมีความสุข ความเจริญนะแล้วที่บ้านนี่ก็จะกลายเป็นที่ผู้คนเนี่ยนะจะคอยเป็นหูเป็นตาให้เช่นสมมติเราเอื้อเฟื้อเกือ้อกุลเพื่อบ้านนะเรามีอะไรเราก็เอาของไปแบ่งปันนะเรามีความโอบคมีการโอภาปาสายกัน เพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับกำแพงนะกำแพงที่แน่นหนาที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ก่อโดยอิทนะแต่มันเกิดจากน้ําใจนะที่มีต่อกันภายในชุมชนเช่นกลับเคลื่อนบ้างจะมีใครมามาปล้นมาขาโมยน ะ, ะเพื่อนบ้านก็เป็นหูเป็นตาให้นะบอกตํารวจบอก เราปาพหรือว่าแจ้งให้เราทราบอย่างนี้เป็นต้นในในหลายชุมชนในเมือ ง, งนอกเนี่ยอยา่างมีมีลูกของเพื่อนเนี่ยเขาไปเรียนที่ประเทศแคนาดาเขากลับมามาที่วัดอาตมาก็ถามว่าจริงไหมได้เขาวว้าแคนาดาเนี่ย บ้านของคุณแคนาดาเนี่ยเป็นในเมืองใหญ่นะเช่นโต론토เนี่ยเขาไม่มีรั้วนะไม่มีรั้วให้พอนะบ้านไม่ล็อกนะประตูบ้านนะไม่ล็อกนะถามว่าจริงไหมเพราะว่าเคยเคยดูหนังสารคดีของของของฝรั่งนะเขาบอกว่าเนี่ยบ้านในแคนาดานี่เขาไม่ล็อกเขาบอกว่าจริงไม่ใช่บ้านจัดสรรนะบ้านทั่วไปเนี่ยนะ หนึ่งไม่มีไม่มีกำแพงไม่มีรัว้วอันนั้นก็ก็น่าทึ่งกันนะสองบ้านเนี่ยเขาไม่ล็อกประตูเนะพราะอะไรก็เพราะว่าเขารู้สึกไว้วางใจกันแะสดาสองคนก็มีความปลอดภัยมากนะแล้วความปลอดภัยนี่ไม่ใช่เพราะว่าตำรวจเนี่ยน ะ, ะเต็มเต็มไปหมดทั้งทั้งเมืองไม่ใช่เพราะว่าเ้ามีตำรวจนี่ดุร้ายนะ จับโจรได้ต้องจับเข้าคุกทรมานหรือว่าตัดแขนตัดมืออย่างในบางประเทศต้องรดนเขาก็น้อยนะแต่ว่าผู้คนก็มีความเอื้อเฟื้อเกื้อปูนกันแล้วก็เพราะนั้นแต่ละคนในหมู่บ้านเนี่ยคนในชุมชนก็เป็นหูเป็นตากันโจรจะขโมยเนี่ยนะมันก็ไปไม่ไกลหรอกสุดท้ายถ้จับได้เพราะว่าพลเมืองย่ไปแจ้งไปบอก หรือว่ามาเตือนไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่ากำแพงที่ดีที่สุดที่แน่นหนาที่สุดเนี่ยนะมันก็คือความสมาสคีของผู้คนในชุมชนอันนี้จึงเป็นหลักประกันแห่งความสุขย่าแท้จริงตรงข้ามกับถ้าเกิดว่าคนในบ้านเนี่ยนะไม่มีความไม่มีธรรมะต่ อ, อ ก, กัน เราจะหยุอยู่ร้อนนอนทุกแล้วนะบางทีก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตัวที่ซ้าเพราะต่างคนต่างอยู่ไม่ใส่ใจกันบางทาีต้มน้ำแล้วเนี่ยนะอาจจะปล่อยคาไ้เลยนะอาจจะทำให้เกิดอุ ป, ปัติเหตุเกิดไฟไหมนะ้เพราะต่างคนต่างอยู่แม้กนระาทั่งในบ้านเดียวกัน นนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราอยากจะให้บ้านเนี่ยถูกปกปักรักษาด้วยสริมงคลช่วยให้ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยสิ่งสำคัญคือการทำความดีทำความดีต่อกันเลืออเฟือกเกอร์กูดต่อกันทั้งกับคนในบ้านในชายคาเดียวกันแล้วก็กับคน ที่อยู่รอบนอกจะเป็นเพื่อนบ้านหรือรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานก็ได้การเอื้อเฟื้อเกือเก้อ ก, อกลกันเนี่ยนะถึงุดถึงถึงจุดสุดแล้วเนี่ยมันก็กลับมาเป็นเพียวกับเราเองมีนักสร้างหนังคนหนึ่งเป็นนักทําหนังสารคดีนะชื่อคุณนิร ม, มนเนี่ยในที่สุวคุณจะเล่าว่าก็เคยไปทําสารคดีในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง งค่อนข้างจะห่างไกลระหว่างที่พักกองถ่ายก็นั่งพูดคุยกันก็มีคุณป้าคนหนึ่งเดินผ่านมาพร้อมกับปลาพวงใหญ่พวงหนึ่งคุณป้าคุณจะรู้จักหนุ่มสาวในกลองถ่ายนะก็เลยหยุดแล้วก็พูดคุยทักทายแล้วก็อยูทั้งมมาว่าเนี่ยไอ้ปลาพวงเนี่ย ทำไมจะกินได้นานนะทาไมจะกินได้นานคนในกองถ่ายซึ่งส่วนใ่ก็เป็นคนในเมืองก็บอกว่าเนี่ยเอาไปหมักนะเอาไปทาปลาละเอาไปตากแดดใส่ตู้เย็นคุณป้าบอกไม่ถูกเลยนะถ้าจะให้ปลาภูงนี้เนี่ยกินได้นานนะต้องไปแบ่งให้เพื่อนบ้านให้ทั่วถึงนะ ถ้าไปแบ่งแลนะ้วจะกินได้นานให้คนในกองถ่าก็งงนะไปแบ่งให้เพื่อนบ้านจะกินได้นานเนี่ยก็หมดเร็วสิแต่สำหรับป้าแล้วเนี่ยนี่คือวิธีที่ทำให้กินปลาได้นานเพราะว่าถ้าเราเอาปลาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านนะเขาก็จะเกิดความซาบซึ้งในน้ำใจถึงเวลาเขาหาปลามาได้เขาจาับปลามาได้เขาก็ามาแบ่งนะให้คุณป้า เนี่เป็นภูมิปัญญานะภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยคือว่าถ้าอยากมีกินยั่งยืนนะต้องแต่งฟันถ้าอยากมีความสุขต้องให้ความสุขกูจะกละับว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขอันนี้แหละคือคือคุณธรรมนะที่มันจะช่วยทําให้ เกิดความสงบร่มเย็นทั้งในบ้านแล้วก็ในชุมชนในนึกถ้ว่าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะนอกจากการให้ทานการรักษาศีลแล้วเนี่ยเรามีการฝึกจิตนะมีการเจริญสติใช้สติเนี่ยช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์เวลาใจกระเพื่อมก็รู้ทันมันสังเกตจิตใจตัวเอง สิ่งที่จะช่วยให้เรารู้ใจของตัวเราเนี้ยคือสตินะถ้าเรามีสติที่ไวเนี่ยเวลาเราโกรธเราก็รู้ทันพอรู้ทันความโกรธมันก็สงบลงเวลามีความเศร้าเรารู้ทั น, นความโกรธความเศร้าก็สงบลงใจมันก็จะสงบได้ไม่ใช่ว่าอยู่ในบ้านแม้จะเงียบสงบนะแต่ว่าในหัวเนี่ยนะมันมีแต่เสียงนะมันมีแต่เสียงแห่งความคิดระงมดังไี่หมดเลย ซึ่งล้วนแต่ทําให้เศร้าเสียใจหงุดหงิดรําคาญวิตกกังวลกระวนกระวายกลายเป็นไม่สงบคนทุกวันนี้เนี่ยหาความสงบได้ยากเนี่ยไม่ใช่ความสงบนอกตัวนะความสงบภายใ น, นแต่ถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเออเราฝึกนอกจากเราให้ทาราักษณ์ศีรษะทาความดีแล้วเราจเจริญภาวนาด้วยเราก็จะพบกับความสงบทั้งภายในบ้านแล้วก็ภายในใจเรา และความสงบของเราเนี่ยพอเบื่อแผ่ไปสู่ผู้อื่นคนที่อยู่รอบข้างเรานะเป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ก็พอสงบด้วยมีความเย็นใจด้วยใช่แต่เท่านั้นเนี่ยเวลาเราไปไหนเนี่ยนะไปทํางานอยู่ทำกางผู้คนเสียงเสียงเอกทึกโครนยังไงเราก็สงบได้เพราะเรามีสติรู้ทัน เสียงมากระทบหูนะใจกับเพื่อม เ, เรารู้ทันตัาใจกับเพื่อมเราก็วางจิตก็กลับมาปกติเสียงไหนดังเราก็แมวใจไปจดจอ่อสำคัญนะหลายหลายคนในเวลาหงุดหงิดเนี่ยนะมักจะโทษเพราะเสียงดังขุนเครื่องก็เพราะโทษว่าเสียงดังแต่จริงเป็นเพราะใจของเรา ใจขเราไปไปต่วนจอยที่เสียงมากกว่ามีเรื่องเล่าว่าอันนี้นานไปแล้วนะเกี่ยวกับหลวงปู่บุดดาหลวงปู่บุดดาท่านถ้าท่านมีอายุถุงทุกวันนี้ท่านก็อายุร้อย2ี่สิบร้อย่ิบร้อยี่สิบสามแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสักห้าสิบปีมนแล้วนะท่านได้รับนิมนต์ให้มาฉันเพนนะที่บ้านโยมในกรุงเทพท่านก็เดินทางจากสิงห์บุรีเนี่ยมา ขันเพลเสร็จท่านจะกลับวัดโยก็บอกว่าให้ท่านพักก่อนเถอดเพราะว่าสิงคโปร์เป็นไกลนะสมัยนั้นเนี่ยถนนไม่ค่อยดีนะกรุงเทพถึงคโปร์ก็ใช้เวลาเดินทางสองสาชั่วโมงก็หาห้องให้ท่านพักเป็นห้องอ่าห้องลงโลง่หลวงปู่ท่านก็เอนห ล, งลังลูกเสดลูกหาหลายคนก็มานั่งเป็นเพื่อน แต่เวลาคุยกันก็ซีกกระซาไม่อยากจะให้เสียงมารบกวนหลวงปู่บังเอิญห้องที่ติด ก, กันเนี่ยนะมันเป็นร้านค้าเป็นร้านโชว์หวยร้านของชํานำะคือบ้านเนี่ยเป็นบ้านห้องแถวเจ้าของเนี่ยเป็นคนจีนอมมาม่าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยจะจะสวนเกีย้ยเกียย้ยไม้ ทัไหมกกรูม้จักเยี้ยไหมเคยเห็นไหมแต่ผงไม่เคยใส่นะไม่เคยสวมอาตมายนะัยงทันสวมเก้ยเลยสมัยนั้นหรอกเท้าปา้าติ่งรองเท่าอย่างนี้ไม่มีเลยเกีย้ยไม้เนี่ยเวลาเดินเนี่ยมันก็ดังยิ่งขึ้นมันมันดนีงยิ่งดังใหญ่เลยเสียงก็ดังเข้าไปถึงในห้องหลวงปู่ลูกสิกก็ไม่พอใจก็พูดว่านี่มีค น, นก็เปรย์ขึ้นมาว่า เดินเสียงดังจังเลยไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่เนี่ยท่านหลับตายอยู่ท่านไม่ได้แต่ท่านไม่ได้จำบ้านนะท่านได้ยินก็เลยพูดขึ้นมาเบาๆว่า เ, าเาขาดูของเขาอยู่ดีๆเราโอา้โหไปลองเกีย้ยเขาเองเสียงเกีย้ยไม่ใช่ปัญหานะมันมีปัญหาก็ต่อเมื่อเอาหูไปลองเกีย้ยนะมั mm ้ย hmm. ถ้าหูไมไปลองเกีย้ยเนี่ยไม่ทูกหรอก ทำไมหูไปลองเกีย้ยเพราะหูเนี่ยเพราะใจไม่มีสติเพราะใจไม่มีสติเนี่ยหูมันก็ไปหาเรื่องนะไปลองเกีย้ยเนะนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชี้ว่าคนเราเนี่ยจะทุกข์หรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเสียงเกี้ยหรือเสียงมอเตอร์ไซค์หรือเสีย ง, ยยงดังอะไรหรอกมันเป็นเพราะใจเราไม่มีสติหูก็เลยเป็นหูหาเรื่องนี่ถ้าเราฝึกภาวนาเจริญสติอยู่ดินเนืองเนี่ยนะเราไปข้างนอกเราอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่แต่ในบ้านเราไป ไปทำงานโดยอยู่ทำกลางผู้คนเอตุผลคืกคนไงใจเราก็สงบได้ใจเราก็มั่นคงนะไม่หวันไหวง่ายใจอย่างนี้แหละนะเป็นใจที่มีบ้านนะก็กลายเป็นว่าเราไปไหนเนี่ยเราก็มีบ้านนะรักษาใจของเราไปด้วยนะ เราไม่ใช่มีแค่บ้านที่สร้างด้วยอิฐที่รักษากายของเราให้ใ ห, ให้ปลอดภัยแต่ว่าเรายังมีบ้านที่รักษาใจของเราให้อบอุ่นสงบเย็นเป็นสุขได้ในทุกที่บ้านที่เป็นอาคารเนี่ยนะมันตามเราไปไม่ได้แต่มีบ้านชนิดหนึ่งที่ตามเราไปได้ทุกที่นะก็คือบ้านของใจ ซึ่งเกิดจากการที่เราได้ฝึกใจ <Yeah. S 1> จนมีสติมีสมาธิมีปัญญาอันนี้แหละก็จะทำให้เราเนี่ยมีความอบอุ่นมีความมู้สึกมั่นคงปลอดภัยได้ในทุกที่ไม่ใช่แค่มาไม่ใช่แค่รู้สึกอบอุ่นเมื่อกลับมาถึงบ้านได้เจอพ่อแม่ได้เจอคนรักได้เจอลูกหลานพร้อมหน้าแต่ถึงแม้ไม่อยู่บ้านไปอยู่ที่ไหน อยู่ไกลแค่ไหนก็ไม่เหงาไม่วาเหว่อบอบอุ่นไม่ร้อนรุ่มนะเพราะมีบ้านคอยรักษาใจของเราอันนี้เกิดจากภาวนานะสรุปก็คือว่าถ้าต้ ง, งาใจเกิดให้ชีวิตมีความสุขนะทำให้บ้านเนี่ยนะเป็นบ้านที่สงบร่มเย็นนะให้ความสุขกับเราเนี่ยทั้งทางกายและทางใจเนี่ยการทาความดี อันได้แก่ทานศีลและภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุดอย่างแท้จริงรที่ประเสริฐกว่าวัตถุมงคลใดๆประเสริฐกว่าไม้มงคลหรือว่าศีลมงคลอะไรทั้งหลายด้วยซ้ําก็ฝากเอาไว้นะ <uo wins> เพื่ อ, อให้เป็นแง่คิด ที่พูดมา น, นี้ก็ที่จริงก็เป็นคาสองของพุทธเจ้านะซึ่งถือว่าเป็นพอรอย่างหนึ่งอันนี้ก็มาเพิ่มเติมเพื่อให้การทำบุญในวันนี้ของพวกเรานะนะเป็นไปนะในทางที่ช่วยให้เรามีหลักมีธรรมะเป็นที่พึ่งเพื่อนำ ความสงบเย็นไหมกับชีวิตจิตใจของเราก็ขออยู่ติเท่านี้เท่านี้ก